เรื่องพระอุทายี532สมัยนั้นท่านพระอุทายีรูปร่างใหญ่ปูผ้ารองนั่งเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งดึงชายผ้าออกรอบๆพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอุทายีดังนี้ว่าอุทายีเพราะเหตุไรเธอจึงปูผ้ารองนั่งแล้วดึงชายผ้าออกรอบๆเหมือนช่างทาหนังเก่าเล่าท่านพระอุทายีกลาทูลว่าจริงดังนั้นพระพุทธเจ้าข้า ก็พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้ารองนั่งสำหรับภิกษุเล็กเกินไป